ญาติโยมสาธุชนทุกท่านาพวกเราทั้งหลายในที่นี้แม้ว่าจะมาจากากลุ่มเราแตกต่างกันแตกต่างกันโดยวัยโดยเพศโดยสถานะและภูมิหลังจะแตกต่างกันแม้กระทั่งศา ส, สนาที่นับถือด้วย แต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันคล้ายกันก็คือเราต้องหลายปรารถนาความสุขความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนแสวงหาแต่ความสุขเนี่ยเราจะหาได้จากที่ใด ห, หลายคนคิดว่าถ้าว่าชีวิตนะ่ะมีความสงบราบรื่น ความสําเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงที่ทยศแต่ความสุขก็จะเกิดเป็นเอง ấy. แตหลายคนก็พบ ว, ว่ามัไม่เป็นเช่นนั้นเพราาแมจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ยังมีบางสิ่งตัดหายไปจากชีวิตนั่นคือความสุขใจสุดกายมีนะวันสุขใจ ขาดไปและคุณปร่าทำงานชีวิตที่รักรื่มแต่บางคนก็ไม่สามารถจะมีชีวิตที่รักรื่มได้แต่ในกระดั้นเนี่ยก็ยังสามารถจะพบความสุขได้ความสุขต้นเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ที่ใจแต่อยู่ที่จิตใจ แต่ว่าความสุขที่ใจนี่จะพบได้มันก็ต้องอาศัยการจักวางใจรวถึงการฝึกผนด้วยคือการจัดวันจิตที่ฝึกฝนีแล้วจ้องนำสุขมาให้ไม่ใช่ใช่สักไม่ใช่ชื่อเสียงิงๆที่จะนำความสุขมาให้ใชจริง คงจะจิตที่สุดกดีแ ล, แล้วถือว่ารู้จักวางจัล้วนนี้เราจะพบความสุขที่ใจได้อย่างไรเราจะถูสุขใจอย่างไรนะทุกจาระความสุขมีเหตการตอนหนึ่งในสมัยราชการเป็นเรื่องราวเป็นฉากสั้นๆของพระองค์ปรีมามพวกรา จักองคลิกมาซึ่งว่าสมัยนี้เราเป็นฆตกรต่อเนะนื่องางคนยังไม่ใช่แพะจนธรรมดาฆ า, าตกรต่อเนื่องยูแต่ว่าตอนหลังก็เกิสัตว์าในพระตนาไตรแล้วก็บุรเื่อบวแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ใยรู้ใยศึกษา ฟังธรรมจากผู้ศึกษาตอนหนึ่งพู้ได้จัดว่าให้รู้จักการะยานมิตรการยานมิตรก็คือวิธีประเสริฐท่านก็น้อมนำคำว่านี้มาใช้ใจก็พยายามที่จะทำการะยานมิตรจากที่ผู้เจ้าศึกษาได้ทำหลังจากที่ฟังธรรมก็เดินความติดต่อรับรูปอีกหนึ่ง สอาท่านทาว่ า, า, าชื่อพนันทิาพรนันทิยากับเอ ม, มาเนี่ยเป็นคนเอนสาทีเมือเดียวกันแต่ว่าไม่รู้จักันเลยไม่รู้จักกันหรือวกก่อาก็กในตอนที่ได้ขงวง่อก็เลยสงสัยว่าพระนันทิยาเนี่ยท่านได้เรีย น, น, นู้อมจากลว่จาจหอาบอกว่าให้คนนั่งไกลไนามิเนี่ยก็เลยอยากจะฟังว่าท่านผู้นี้นี่ท่านเป็น อะไรกันจจัยหรือไม่ก็สอบถามว่าพระเจ้าได้สอนอะไรท่ทานคำตอบของท่านงานที่ยากนี่น่าสนใจท่านตอบว่าพวกผู้นี้พระพาก์าเจ้าได้สอนว่าให้วางข้างหน้าข้างหลังและข้างกลางคือไม่ยึดติดอยู่ในอารมณ์เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบัน อารมณ์ใดที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็วาาที่วางไว้บนกองกองแ้ะพระนเรศกติบายเป็นรูปธรว่าเมือ่อยู่บรบุรุถูถกคนด่าว่าก็ให้กองคำดา่ า, า, ดดำ า, ำดาว่า่เาหลน้ํามื่ลน้าถูกคนด่าว่าก็ ให้วางหรือกองคำนั้นวานั้นในน้อยาพื้เพื่อือในเงือนและถูกคนยาวว่าก็กองไว้ตนั้นไม่ต้องเอาไปที่เช็ดตัวเช็ดตัวไม่ถูกต้ของที่มีตรีมมาและนัอย่างที่น่าสนใจนะเป็นคมปธิบายสันๆที่เข้าใจง่าย แต่ว่าหลายคนอาจจต้งสั่คืขขอมันปจิบัติยากว่าไม่ยึดติในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแตว่าเนี่ยประโยคสั้นๆเนี่ยมันมันมีความหมายมากขึ้ยแล้วก็มันเป็นศิลปพที่ช่วยในการที่ทำให้ใจเราสงบสุขได้เพราะว่า คนทุกวันนี้เนี่ยน่าจะมีความสุขใจกัจริงนะแต่ว่าความสุขใจมีความสุขใจแต่ทุกข์ใจถามว่าทำไมทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะก็เกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอดีตและอนาคตได้อดีตผ่านไปแล้วอนาคตจะมาไม่ถึงตว่าใจเนี่ยมยึดถื อดีตนั้อนอาจจะได้แก่ความสูญเสียทักข์ทรมาม่ต้องอื่นไกลนะแค่เงินหายหรือว่าถูกโกงไม่ต้องเป็นแสนนั่งเป็นหมื่นอาจจะแค่พันดีผ่านไปเป็นวันก็ยังรุ่งของุ่งใจยังเสียใจยังคืนคืองอยู่เราลองสำรวจจิตใจของเราเนี่ย เวลาเรามีความเศร้าแต่ยเวาเรามีความเสียใจนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็มัเกิดจากการที่เราไปยึดเหตการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่เราก็ไม่ยอมมองเนินหายทรัพยสมบัติถูกโกงหรือบางทีทําอะไรผิดกลา้าดบางคนเนี่ยนะมีคุณแม่บางคน ตัดสินใจติดคราฟขายขายขายห้องแถวก็คิดว่าตอนนั้นรายได้ดีราคาสูงขายไปแล้วเสรแล้วที่ได้เนี่ยสามีก็อเอาไปเล่นเอาไปใช้ตัวไม่อยู่ไว้ใี้ลูดเลยคุณแม่ก็เสียใจเพราะว่าไม่น่าขาย รู้สึกผิดว่าไม่มีทรัพย์สมมาตรอะเรเป็นก้อนให้ลูกอ่านไปสิปีแล้วก็ยังเสียใจแล้วก็ขอคิดแล้วคิดเราคิดแล้วคิดเรา่ะกบเป็นโลกสูงท้า น, นี้มันเป็นตัวอย่างเนีว่าความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยทาบว่ามันเกิขึ้นแล้วนะเราไม่รู้จัก่อไม่รู้จักวงเลย ใครทุกนีก็เป็นหนอที่ทุกถ้าถามว่าได้ประโยชน์อะไรัหมประโยชน์จจะได้ถ้าเกิดว่าเราอันสุชวนที่เกิดขึ้นแล้วก็หาบทเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่พรอเดิเจ้าสหรเสือคือการรู้จักหาบทเรียนจากนะอดีตที่ผ่านไปแต่ไม่ใช่เก็บมานาไว้แบมันเอาไวนะ้เพื่อโบยตี จะสร้างเติงความทุดข์ให้หตัวเองหลายคนเนี่ยทุกขเข้าเรื่องทุกอยางไปแล้วนอทีไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดอาจจะเป็นความเศร้าอาจจะเป็นความโกรธแค้นมีหลายคนเนี่ยนะอายุ7 0็0แลดสะเวลาลูกไปหา หรือเวลาคนรู้จักปหา ก, ก็จะพูดเรื่องเกาๆอุยเรื่องที่สามีขรอยดต์ส า, ามีโกงสามีหลอกลวงเตการ่านไปแล้สามสิบสี่สิปีก็ยังไม่วางแล้วก็พูดซ้แล้วซ้แวซ้แวซ้แล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขคนฟังก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเรื่องที่ฟัง กระทั่งรู้สึกเบื่อแต่ในที่ชีวิตนี้มันมีอะไรที่จะให้เราได้ได้มันมีสิ่งดีๆที่ให้เราได้ได้เก็บเกี่ยวได้ซึมซับมากมแต่ว่าอีกโอกาสที่จะให้จิตเนี่ยได้รับรู้สิ่งดีๆเช่นความสุขความสุขที่ร้านมาเยี่ยมหรือว่าความสุขที่ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆเพราะวใจเนี่ยมันคิดอยู่แต่เรืงที่ต่างแล้วไง บางทีก็ออเป็นนึกถึงคนที่จากไปพักษารักหาว่าเขาจากไปเก็ยังกวมนึกถึขงของไม่ได้กาลัวแต่ว่ามีความอานาจนึกถึงเขาปรากฏว่ารักเลยคนที่ยังอยู่ของเขามีมีคมมนหนึ่ง ตอนนึงได้ทราบว่าสามีเนี่ยไม่ก็สบายก็พาไปหาหมอแต่ปรกว่าโรคที่เจอเนี่ยมันเป็นโรคที่หมอเนี่ยไม่สามารถเจวินิจฉัยพบได้ทันทุกทีมันเป็นะเร็งแต่พอจอรู้เนี่ยมันก็ลามไป เ, อเยอะแล้วก็ภายในเวลาแค่สิบเดือนเท่านั้น สามีก็ตายปริยาเสียใจมากปริยารยาก็โกรธรงพยบาลโกรธออาจารย์ก็โปรธตัวเงด้วยว่าทลาดจังยอมรับความตายของสามีไม่ได้ก็สามีเป็นคนที่ดีมากสามีเป็นแฟลนลี่แมนเป็นคนที่ผููจาอโโ่อนโยนเป็นคนรักครอบครัวสามีตายเนี่ย ทุกวันเธอก็ยังยอมรับว่าวสามีตายไปแล้วทุกเช้าก็ต้องทำอาหารอาให้สามีวางไว้บนโต๊ะที่สามีนั่เป็นประจำสามีตายไปหลายเดือน้ทุกวันจะต้องโทรศัพท์เข้าเบอร์สามีเพื่อได้ฟังเสียงสามีในใจคลื่น ใช้ไม่ยอมรับสามีตายาก็ยังคิดอยู่แต่เรื่องสามีสามีบอกว่าเธอไม่สนใจทุกสามลูกสกวาวที่สุดสองขวบอยู่กับเธอแท้ๆแต่เธอไม่สนใจเธอคิดถึงแต่สามีที่จากไปการที่ถึงสามีที่จากไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยทําห้เธอไม่เตือนทุกข์ไม่นามําซ้ํายังทํำให้รับเลยลูก ที่ยงอยู่ลูกยุคสองวรได้รับความใส่ใจจากแม่ไม่มีพ่อแล้วก็ควรจะมีแม่รูทุกอย่แต่แม่ก็ยังอยู่กปกติอยู่กับอยู่กับชีวิตนะสมัยที่ยังมีสามีอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าปวงมากเพราะว่าไม่นานเธอจะไม่ใช่แค่เสียแต่สามีจะเสียลูก รูกก็จะทิ้งเธอไปหรือว่าลูกก็จะไม่สามารถที่จะอยับเธอไในความสุขอดีอผ่านไปแล้วก็แล้วก็แก้ไขไม่ได้ส่วนปัจจุบันแทนที่จะทปัจจุบันให้ดีที่สุดก็ร้าเลือไฟพาะว่าใจยงเี้งงยงยังยึดติดอยู่กับอดีตนี่คือสิอ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนปัจจุบันเป็นตวอาการแ่ง อนาคตก็เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขหลายคนคิดไม่ได้นอนไม่หลับเพราะนึกถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดที่จะตกรางว่ามันจะต้องเร็วลาชดเพราะเศรษฐกิจว่าแม่ก็ยังห่วงกังวรว่ราลูกจะสอบข้ามวชาอะไรได้ไหมมันสอบอต้องไตั้งหลายเดือนนแล้วก็คิดถึงจะว่าลูกจะสอบไม่ได้สอบไม่ได้ลูกไม่สอบเลยนนะแต่ว่าใจเนี่ยไป ไปกลุ่มนี่เรี่ยว่าลูดมันจะสอบได้นไปแล้วก็เครียดพรต้องบวกงานงานไม่ใช่งานที่ทำนะจะเป็นงานที่ยังคายทำงานไปก็บวกงานที่กำลังคายอยู่หลายที่รู้บางทีแม่ท ง, งานบทีอยู่กับตู้าทีย่ยามีอยู่กับพ่อแม่แต่ว่าใจเนี่ยไปถึ ง, งานที่ต้องไปนาเสนอเนยตอนรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะฟ่ง เรียกกังวลบางคนก็กัวลถึงเรื่องนี้สินที่ได้ถึงเวลาที่ต้องจ่ายต้องชำระต้องจัดการมีความสุขกายนะแต่ว่าทุกใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะปร่อยวางอนาคตได้ที่พันธีครับได้ได้พูดถึงคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากทีเดินะสำหรับคนที่ต้องการความสุข ใช้ในสุดใจจสนใจก็คือต้อ ง, องจับวางอดีตที่ผ่านไปแล้วส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าปนองอเราอาให้ถูกแล้วเนี่ยยังทให้เราแม่สามารถจอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีคุาคนป่วยถ้าว่าป่วยก็ยังก็ไม่ถูกแล้วคือว่าหมอพบ ก, ก็เป็นโรคยังเดินเทินได้ ยังสามารถที่จะไปเที่ยวยังสามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้แต่พอหมอบอกว่ า, าลุงหรือป้า เ, เป็นมะเร็นะันะที่เป็นมะเร็งแค่ระยะแรกนะแต่ว่าพอได้ยินเขามาเร็กเนี่ยใจมันคิดถึงความตายคิดถึง สภาพพี่ตัวเองเนี่ยป่วยนอนติดเตียงมงสายรุยพยัญชนะที่เห็นเวลาไปเยี่ยมเป็นป่วยระยะสุดท้ายต อ, อนลึกแค่เนี่ใจเนี่ยอ่อนเหี่ยงก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับฉนั่งที่ยังสามารถจะกินอะไรได้อร่อยฟังเพลงก็ยังเฟังให้พร้อมได้ยังสามารถที่ไปเที่ยวกับลูกหลานได้ แต่ว่าปล่อยชีวิตให้หมดอะไรตไ่างปล่อยโอกาสดีๆปล่อยโอกาสทองให้หมดไปิงเพราะว่า้มอง้ยึดหยุดสสิ่งเที่ยมาไม่ถยิ่งรู้ว่าเออเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วนะเรายิ่งต้องใช้ชีวิตที่มีอยู่ใหงกนนมี่ ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเพื่อซึมซับรับความสุขที่ใช่คอยความสุขใจจะเป็นความสุขใจเช่นมีเวลาดีๆใช้เวลาดีๆอยู่กับลูกหลานมีความสุขร่วมกันมีความมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนี่ต่างหากที่เราควรได้ถ้าทำแล้วเราก็จะรับความสุขรุ่งเรืก็มีความสุขขึ้นกกแต่พอเราเอาแต่คิดถึงว่าโอ้ดิฉันจะตายเร็วๆเนี่ย ใจมันห่อเดียวร่างกายก็แ ย, แย่ๆมีคุณป้าคนหนึงไม่สบายนะเดี๋ยวก็รู้เป็นอะไรก็ไปหาลุงกไปหาหม อ, อ, นะ อ, อ, นอหนึก็เอาโรงพลดว้างจูน ห, หน้าคนห่งกว่าป้าป้าเป็นมเ็นะอยู่ได้ไม่เกินสามเดืที่จริงอ้อนเนี่ยไม่มีชืเสีานะพูดนะแต่ก็พูดไปแล้วคุณค่ายังคุณป้าเนี่ยตกใจกับชอบง ับ้านนี่ก็หมดยใจยไม่มีชวตวานตายมีได้แค่สองวันถามว่าใชตายก็ราะมะเร็งม่ล่ะสองวันมะเร็งไม่รำเ็แต่ใจใจจะทุกุขอะไรทุกไปถึงถึงนาถึงความตายที่จะเกิดขึ้นทังที่นาเดเป็นอย่างน้อยเป็นหมอบอกว่าสาเดือนจได้สปี สามเดือนมก็ไม่แน่ไม่ใช่ที่าษาที่แน่นอนแต่ปัใจจันี้มันไปจดจ่อยอยู่กับอ น, นาคตก็ฉ ส, สามเดือนน่าจะ้องตายแนะ่ในเวลาที่มีอยูนะ่ที่จะใช้ให้เกิดปรนะโยชน์ปล่อยทิ้งไปโดยปล่ยแล้วก็ล่อยเนะถ้าคนเราที่ถามว่าเรารู้จัเกเพียงแค่ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอ น, นาคตเราจะมีความสุขได้ไ แต่เราจะวางได้อย่างไรเพราะว่าใจเรานี่มันชอบขวนนึกถึงทั้งทีไอ้อดีตมันก็ไม่ใช่หน้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องคิดหน้าคิดหน้าจดจ่อเท่าไหร่เพมันเป็นอดีตที่เจ็บปวดเดินหายคนรักไปจากเจอดีที่ไม่เคยเป็นปรัชนาจะทําไมคนเราเนี่ยชอบนึกถึงมันเรื่อย เ, เ, เ, เอยเาทความคิดพลาดบางอย่างกับคนรักอุกการีหรือกับลูก มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ า, น, าน่าจะเนเ่องท่แต่ว่าจา ก, ก็จะจดจอยมล่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสตินคนไม่มีสตินเนยตคนที่สลบทับไมนะ้หรือวคนที่โดนยาสลบทนะในรนะางานแต่ขณะที่เราได้อยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่มีสติเมื่อเราไป็นเรงถืออันดีที่เจ็บปวดที่รุนรา อักกีแรกเนี่ย แ, แล้วก็เป็นแบบความเศร้ามัเป็นแบบความเจ็บปวดเอาไวเศร้ามันคลองใจแลความโกรธแค้นที่เขาตอว่าดาทอเรามันเผารนใจความเกลียดชังคนที่เขาทออยู่หลังเรามันลุกตะพี้เกลียดใจมันไม่ดีกับเราเลยแต่ทําไมเราไม่ยอมไม่รูทําป่อยรู้จักป่อ อันนี้เราก็ไม่มีสติเหลเลืมตัวเช่นเดียวกับอนหนักกาเวลาเร า, า, น, านึกถึงภาคนากรู้ถึงการงานนึกถึงหนี้สินนึกถึงาเศรษฐกิจที่น่เาเป็นหว่วงเรากัวงวลเราหนักใจ่ว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์สมัยจงจงนี้จมจมจมอยู่ในเรื่องราวเรากไม่มีสติเเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะปล่อยเราจะ คนเราเนี่ไม่ได้ทุกเพราะว่ามีใครมทราทำมาในเราเนะี่ยต้อว่าดาบพอเราแต่ถ้าเราหรือไม่สนใจเราก็ไม่ทุกแต่ถ้าเราทุกเพราะเราเราทุกเพราความคิดเราคิดมาอะไรก็ทุก น, นะถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกอันนี้พูดถึงทุกใจนะถ้าทําไมถึงคิดเพาไม่มีสติไม่ใช่แต่การปล่อยวางอดีตและนะอนาคตนั้นนะแล้วกระทั่ง การปล่อยวางสิ่งที่มากระทบกับเราในปัจจุบันก็ต้องรู้จักปล่อยวางเช่นเดียวกันอันนี้อนันติยะก็บอกนะว่าให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าขั้งหลังและทั้งกางทั้งกางปัจจุบันไม่ยึดติอยู่ในอารมณ์ที่เป็นนาทีนาขวบแะปัจจุบันไม่ยึดติดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมายคามว่าอางไรก็หมายความว่าสิ่งที่มันกระทบกับเราในขณะด น, นี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าคือความใจ มันแล้วก็ไปจดจ่อกับมันแต่เราก็ไม่ได้จดจ่อนะเช่นสมมติมี เ, ส, นเนสียงโทรศัพท์ดังตรงนี้นะเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันรบกวนการฟังของเราแต่แทนที่เราจะไม่แส่ใจตอนที่เสียงโทรศัพท์ดงังมีใจเราจะไปจดจ่อที่เสียงนะงั้นเสียงโทรศัพท์บ้างเสียงคนคุยกันบ้างแล้วเราก็กาทุกข์อทุกขเสร็จเราไปว่าเขาไปว่าเสียง แต่ว่าต้นเสียงนะว่าทาให้เราเนี่ยทุกเจ้าของโทรศัพท์ ก, ก็ดีคนที่พูดคุยอป็นดีแต่ที่จริงไม่ใช่นะให้ที่ทุกเนี่ยข้อใจเราเนี่ยไปจดจอ่อไปยึดเอาไว้การที่จดจ่อเนี่ยนะการที่แทนที่จะมาฟังเสียงบรรดาจะมาไปจดจ่อเรืสียงโทรศัพทเสียคุยอันนี้นเรกวายึดพอเยอะแล้วเป็นไงก็ทุกจะไปโทษเสียงไปโทษต้นเสียงไปโทษเจ้าของเสียง แต่ที่จริงใจเราต่างเสียงดังเท่าไรเนี่ยมันไม่ทำให้ใจเราทุกข์แต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นเมื่อสักประมาณปี20เนี่ยหดี๋ยวก็ชาท่านได้โดยภ า, ภารั่งที่เป็นรูกศิอท่านเช่นารสุ ท, ทากเเป็นครังแรกที่าสุยโทแล้วก็าพาลูกศิษย์หลายท่านได้ไปเยือนที่ประเทศนั้น ซึ่งทำให้เกิดวัดจิตวิเวกัจิตวิเวกแก็ปราวตีในรองแต่ตอนนั้นตอนที่ไปเนี่ยยังไม่มีวัดที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระทังคณะก็ต้องพักอยู่ตรงตรงวิหารที่อยู่กลางกรุงดอดว on. ิหารที่ชอบพุทธในยุโรโปเนี่ยสร้างขึ้นเ่อวิหารแสเตอดวิหารนี้เนี่ย อยู่กลางเมืองแล้วตรงข้ามเลยนะมันเป็นผักมันเป็นมันเป็นผัมันเป็นไอ้ผักทุกคืนเนี่ยขะที่พระเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วบรรยายธรรมก็จะมีเสียงดังนะเสียงดังจากผักลานตามั้งเสียงดนตรีเสียงอะไรตอนอะไรมากมายมีช่วงหนึ่งเนี่ยะที่กาลังนั่งสมาธิอยู่ เ, เสียงก็ดังห้อ ง, ง, งที่พระกลังนัสมาธิังพระเองก็ดีทั้งโยมก็ดี ต า, ามีเป็นความสุขเลแต่มว่าช้าี่ทานิ่งตก็ไม่มีได้ยินเสียงอะไรเลยเอเวลาสิสน ท, ที่ทนิ่งเยอาลกืนก่นเนี่ยเินยกระสักระสายหน้าตาก็ึงเสียงมันดังมากพอทาสมาธิเสร็จก็มีโยนเนี่ยซึ่ง้ใจมเป็นจ้าภาพก็มาหาท่านแล้วก็บอกขอทโทษขอโทษที่ มีเสียงดังรบกวนที่เวลานั่งสมาธิอาจารย์ใช้ตอบตีนั่งตอบว่าลวมไปที่ว่าเสียงมรบกวนเราที่จริงเราต้องหาที่ปบรบกวนเสียงเมื่อใดก็ตามที่เราไปบรบกวนเสียงเนี่ยาจเราทูกข์เลยถูกไหมใจมั น, นบรบกวนเสียงแต่ว่าอะไเป็นทุลอกบวกร่างก็เสียงเสียงมันก็ดังของมันอย่างนั้นถ้าเราฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่ยึดมั่นถือมนันก็ไม่ทุกแต่เพราะเราไป ไปจิกกัดเสียงแล้ก็ไปต่อเละต่อเทียงกเสียงนะันเจ็ไปนในใจมัทำให้เสียงมันดังวนะ่าเสีหยุสทีนะอันนี้เรียกว่าไปไปต่อเะต่อเทียกระสอไปรบกวนสีย ง, กกยงใ้ยมเราสังเกตนะเวลาเวลามีเสียงดังลแล้วรรก็ตาที่ใจเราทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เสียงนะแต่เป็นเ พ, นะพราะใจเราเนี่ยไปทะเกัียง ไปบ่ไปกดคมไปโวยวายกับเสียงนะตอนเราไม่สนใจเสียงนั้นดูเสียงนะความสุขใจความสมดุลใจก็เกิดขทพรไม่ใช่แค่เสียงนะที่เป็นที่มารบกวนเราบางทีเราไปยึดติดอารมณ์ปัจจุบันในความหมายที่ว่าสม่งที่เราทําแล้วก็ตามให้มันเกิดความผิดพลาดที่ลบไม่สนหวั ง, งเราเราก็จะจดจ่อยตรงนั้นไงจดจ่อยกับสิ่งที่มันไม่สมหวั ง, งเราการที่เราจดจ่อตรงนั้นมันยิ่งทำให้เราทุก ทังที่จริงๆแล้วเนี report, I, ่ยมันไม่ได้เร็วร้ายขนาดนั <Vancouver> ้นเนยถ้ามาเมื่อเร็วๆนี้ได้อ่านบทความที่ซุปปอรที่ซิโเปอที่เป็นโคทีมชาตินะตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังรัความนิยมนี้ก่อนที่ซจะเป็นโคทีมชาตินี่ก็เป็นนกบอที่เกงนะฮะหัน้าัวหน้าัวหน้าทีมชาตไทยนี่หมายถงปเปอนนะจะเป็นทุ่เอเป็นวอลเลย์บอล <ham> เป็น น, น, น, น, น, นักบอลเล็บบอลมนที่เล็บอลเขาดางังเลยเขาดังเขาเก่งจนกทั่งเขาจะรับภาพถายให้ไปแข่งเป็นนักฟุตบอลของสโมสรแหนึ่งในอังกฤษนะดีวชั้นสูงสุดเลยไม่ทราบเป็นดีวชันหรืออัพทรีเล่ย์ตอนนั้นเขาก็มีเป็นความหวังนะแล้วก็มีความเรียกว่าความมุ่งมั่นมากๆๆที่จะได้เล่นบอล แสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นที่ผู้เชิดหน้าเป็ที่ภาคภูมิใจของคนไทยแต่พวกว่าเขาได้แต่เป็นตัวสํารองทุกครั้งที่จริงเขาลงแข่งเอาไปตั้งหน้นอยู่ตรงที่หน้าของตัวสำรองไม่เคยได้ลงสนามจริงแข่งเลยเก็มีความทุกข์มากความทุกข์เขาบอกตอนนั้นมันทุกไมมากจนหัวแตกไม่ได้เล่นทั้งน้ำเั้งเนื้ แต่เหตุการณ์ผ่านไปเราไม่ทอบผ่านไปกี่ปีนะเมื่อก็พูดถึเหตุการณ์นั้นทำงา น, นใหม่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเลยถึงความไม่มทำเป็นปัญหาเลยเพียงแต่ผมมองไม่เห็นหมองไม่เห็นอะไรก็บอกไปลริงๆครั้งนั้นมันมีแต่ได้ไดนะ้ถึงได้รถสองได้บ้านสามได้ภาษานะสี่ได้พัฒนาร่างกายห้าได้พบคนมากหลาย ผมได้เจอมุมมองต่างๆที่หลากหลายเจ็บได้เที่ยวแล้วก็แตะได้สัมผัสกับเีืสูงสุดที่มีสีสันของขอ ง, ของโลกก็เมื่อเวลาผ่านไปก็ถึงว่าเอโอโคตรดีจริงๆก็ได้เยอะเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาส้สกว่เือนเป็นความล้มเหลวข้ร อ, อะไรฮะเพราะจดจ่อยแต่ว่าฉันไม่ได้เล่นบอลฉันไม่ได้ลงสนามันทําให้เขามองไม่เห็น สิ่งดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นของเขาลองนึกซะเกิดลองนึกว่าถ้าตอนนั้นในเขาเนี่ยไม่โง่แต่จดจอความไม่สมหวังที่ไม่ได้ลงสนามไม่ได้ลงสนามก็ไม่เป็นไรนะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ประสบการณ์จาก Division 1หนึ่งที่เมลลี่เรียนรู้ศึขขกษนะาทักษะเทค น, แบบนิคต่างๆต็พอแตมาเชื่อก็จะได้ความรู้ได้ทักษะได้ความสามารถที่ มากมาที่จะม า, มาทำทีทำทีชาติไทยอาจจะให้ดียิ่งกนี้ก็ได้อันนี้ลอกเขาเกี่นะไปจดจ่ออยู่กับความไม่สมหวังในบางเรื่องั้งๆที่เขาได้อะไรต่างๆมากมายแต่เขามองไม่เห็นแต่เขาไม่เหลือไม่ยอมเลยวผมมองไม่เห็นที่มันเกิดขึ้น อันี้คือปรเทศตะมาลอดคุณแม่ที่เขาเศร้าโศกเสียใจกับสามีที่จากไปจนทัานหมอไม่เห็นรูกสามว่อยู่ในบ้านแต่นั่นในกรณีนั้นเป็นเรื่องของการไปการไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ปล่อยไม่วางเรื่องที่เป็นปัจจุบันเรื่องที่มันไม่ถูกใจเราจึงแค่บางเรื่องเช่นเสียงดังหรือว่าการที่ไม่ได้ลงสนามหรือว่าการที่ เราทำงานแล้วเนี si meer, uh, na, th ่ยมาจะไม่ประสบคามสำเในบางเรื่องก็จดจ่อยตรงนั้นที่จริงสมมตินะยกตัวอย่างเรื่องเสียงกับไปเรื่องสียงใหม่ก็ได้สมมติว่าเราเนี่ยไปกินร้านอาหารแต่ถ็กินที่ามิชลินก็ไดสามดาวตอนนี้ก็มีเรืองเสงใหมมิชลินหนดาว2ดาวอาหารก็สุดยอดใช่นัมนะแต่ถ้าเกิดบางเอยเนี่ยโต๊ะที่ติดกันเนี่ย ก็อาจะคุยโทรศัพท์หรือว่าก็าจะเล่นลายเสียงดังติ้งติ้งติงติงตลอดเวลาเราลำคานเสียงเพราะเราลำคานเสียงใช่ไหมกินอารก็ไม่อยอาหารอย่างดีเลยนะแพงด้วยโต๊ะนั้เป็นหมืน่นอ้อเป็นหมืม่ม น, นแต่น่่อร่อยเพราะว่าใจมันมจัมอนหนึบหนับเสียงที่ดั ง, ดงอยู่ข้าง ของดีมันหลุดลอยไปความสุขเนี่ยมันหลุดไปจากใจเราที่เป็นความสุขง่ายๆไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยนี่คือการกินอาหารใี้อร่อยแต่พวใจเราเนี่ยนะมันไปอยู่กับเสียงที่บังเ อ, อิญมันมันไ ม, ไม่ไม่ถูกใจแล้วอันนี้เราเป็นการยึดติดในผลิตภัณฑ์ปัญหาก็เหมือนกันนะปัญหาคือสิ่งที่หลายคนไม่ชอบทงางานก็มีปัญหา ครอบครัวก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบกปัญหาไ้ตลอดเวลาทุกานยนยแบกปัญหาไ้ตลอดเวลาทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่พอเราเกี่ยวข้องมาให้เป็นเนี่ยเราก็แบกเอาไว้แล้วเราก็ทุกข์เงคยมีนายตำรวจ คนหนึ่งนไปปรึกษาไปปรับทุกขกับงพ่ชาสวัสดีท่านยังสุขภาพดีก็มาสามสาปีมาแล้วในตัวหลักนี้เป็นในห่องที่ซื่อสแต่ว่าได้ประสบความสำเร็จในที่ราชการก็ไปปรึก ษ, ษ, ษาไปบนไปตักเตาะกับหลวชาเจ้าน้ายก็กันแกล้ง เพราะว่าจเงินซื้อสัหจาเซื้อต้นก็กลั่แกล้งเพื่อนุ่หนังก็คอยเลื่อยขาเก้าอี้ทางานทุ่มใจเท่าไหร่ตาแหน่งก็ไม่เลื่อนเดินเดินก็ไม่ขึ้นก็คังบนกับให้ชาฟังยาวเลยนะึงมนะชาก็ฟังมัไมไม่ได้ ไม่ได้พูดไม่ได้ซักไม่ได้คาแต่ฟังโมาท่านในจดสนั้นเนี่ยพูดจบพาก็ชี้ไปที่ห้องถินที่อยู่หน้าผู้ติดเห็นต้ น, นเห็นต้นิตตนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักคบแปกไหวไหมไม่หครือต้องได้แบบทีแ่แปลกันนะ ผู้ท่นี้เนี่ยนาบนั้นได้สติเลยนะได้สติว่าอะไรได้สติว่าอ๋อที่เราทุบ ก, ก็นเราไปแบนก้อนหินมันก็หนักประมาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไปแบนไนแล้วเราบาา่นว่าทำไมมันหนักทำไมมันทำไมมันแย่ยอย่างนั้นทำไ ม, มเหนื่อยและเกินเนี่ยเไปททษก้อนหินได้ไหเหนื่อยเพราะแบนแล้วก็โทษก้อนหินว่าทำไมมันหนักแบบนี้ จะทำราไม่ถัมตัวเองว่าเออได้มาแบ่งมาทำไมคร้านเนี่ยพอมีความทุ่งเนี่ยือพอมีความไม่สมหวังเนี่ยนะเร า, มาไม่เคยโทษส่วนใคแต่เราไม่ได้กลับมาหวังตัวเองว่าเรามีส่วนทําให้เกิดควา ม, มาทุกข์ทุกข์แบบประชาชนยุคเตยงง่ายนะหลุมเนี่ยนะหลุมในดินเนี่ยถ้าเราล้วง เอามือลวงไปไม่ถึงไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยลอยท้อง้อยก็จะบอกว่าหลุมันลึกแต่ไม่มีใครเที่ยบอกล้วเออคุณก็แขนเราสั้นใช่ฮะเรากว่าดลุมมันลึกไม่เคยมีหัวแขนเราสั้นเวลาเราทุก์เราก็โทษปัญหาโน่นปัญหาที่เรลืมเราไม่ได้กลับมามองเออเออทีอนาแบ่มาทำไมเลานี้ท่านทุกบอกปัญหามีไม่แก้ไม่ได้กลุ่มโลกมีไม่เจอไม่ใช่มีไวแบก ปัญหาเนี่ยมีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้กลุ๊ก็คือไม่ต้องไม่เกิดเฉลแตนะ้อันนี้ก็เรีเป็นความเป็นความยิดติดในปัจจุบันนปัญหาที่เในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้รืยเป็นเรื่องที่อรก็เมาไม่ถึงแต่เป็นพราะเราเป็นแบบเหมืนถ้าเราลองจะปล่อยวางลงมาหมายควาว่านะกหมายควาว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำงานก็อย่าเพิ่งไปไปคิดถึง เวลากินข้าวก็วางมันลงบ้างเวลาอูกับลูกก็วางมันลงบ้างเวลามาฟังบากาศมาก็วางมันลงบ้างเวลากินข้าเวาาเวลาไปเที่ยวก็วางมันลงบ้างถ้าเราไปเที่ยวกับลูกนะไปจิมต่างประเทศนะแต่ว่าเราคิดถึงแตนะ่กันหาเที่ยวสรุกนะเราลูกๆพาเราไปกินไปกิน อาาก็ตะกายหรือแต่เราคิดถึงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีที่เกิดขึ้น ก, กับโลกกดีนี่กินอหาก็าม่ร่อยบรรยากาศก็จืด่ว่าบรรยากาศเสงเพราะว่านที่เป็นพ่อเนี่ยหรือคที่เป็นแม่เนี่ยเาคิดถึงแต่แต่ปัญหาหเาเราต้องจับวางมันลงแล้วแต่พอเราวางมาลงเราจะกินได้ เราจงึงะนอนลงไอ้คนที่ห่วงลูกแม่แม่อะไรควรจะห่วงลูพ่ออะไต้องห่วงลูเราบอกให้วางมนลงบ้าก็บอกว่าฉันเป็นแม่จะเป็นพ่อจะจ ะ, จะวาเงเด้งไงพ่อแม่ก็ต้องรักลูกสุจริงนะพ่อแม่ควรจะรักลูกแต่ว่ารักลูกไม่แต่ว่าจะต้องห่วงตลอดเวลาคนที่ไม่ห่วงลูกตลอดเวลาก็ไม่ว่าเป็นคนที่ไม่รักลูก หลายคนเนี่ยมักจะวุ่นแล้วก็รู้สึกปลืใจว่าเออฉันเป็นพ่อเดี๋ยวนที่ดีก็ฉันรักลูกแต่ว่าความที่แบบ น, นี้มันทำให้เกินทุกข์แต่ลูกเองก็ทุกข์ด้วยเนีมีลูกหลายคนมาปรึกษาเข้ามาว่าฉันยังไงถึงจะบอกแม่ให้ปล่อยวางบ้างเพ่าแม่เนี่ยวุ่นแต่ลูกตลอดเวลาทั้งที่ลูกก็ไม่ได้ทุกอะไรลูกก็รู้สึกอึดอัดนะแล้วก็แม่ก็ไม่ไมีความสุข แต่มีความเขาเป็นข้อความเข้าใจผิดว่าวความรักนี่มันต้องตามให้การถูกแต่ก็ซึ่งมองในทางตรงข้านคือถ้าไม่ห่วก็แสดงว่าไม่ซึ่งอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดว่าไม่ห่วงแต่รักก็ได้ก็มีความไวหวังใจไว้ใจว่าเขาจะอยู่ได้พขมีความสามารถก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าเรารัก้วไว้ใจมันก็ไม่จกไปต้องรู้แล้วเมื่อตามที่สุดปวขึ้นมาเพราะสัญชาตญาณพันธุ์แม่เป็นพ่อไม่มสติรู้ตัวันนี้เรากาลังเรากาลังปวดมากไปแล้วและมันทุกขกัเราถ้ามันจะดินทันลูกเพื่อเพื่อจะมาคนเงินนะจะมาไปเจอเมื่อต้นปีใ น, ใ น, นงาศพของพ่อเพื่อ เรียนตั้งแต่ตอนเด็กจนถึอยที่สอชั้นตอนนี้ก็เป็นอนาชีพธุรกิจใหญ่เก่งเรียนเก่งประพขี้หยาบเจอกันที่งานสดก็มามาบอกขอบคุณรร ม, มามาบอกขอบคุณด้วยเลยเจอบอกว่าที่ขอบหน้านี่มีความชุ่มาลูกมีลูกชายลูกชายไม่ค่อยขยันเรียนเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีระเบียบวิ น, นัยเจ้าคอยจำที่จำชัน ผลที่เกิดขึ้นคือกเครียดเอาลูกนี่ประอบต่างการช้นั้องตัวกับผู้ก็ไม่ดีขึ้นจนบางวันนึ่ก็ได้แบบดิฟฟาร์ก่ผาเล่าเรื่องของการปล่อยวางปล่อยวางแม้กระทั่งลูกนี่ก็ว่าให้ระลึกว่าลูกก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา่ใ่องเราเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเราเลี้ยงไม่ได้ทีดิ่งตัวก็เราเองเลี้ยงไม่ได้เราอยากจะให้ลูกพอ แต่รัวปวดหนาววดาวแต่ให้รูกวนรูกนกน้ก็หอมนั่นแหละนะตั้มาเนี่ยตอนเด็กที่หอมมากนะแม่ก็โยมแม่ก็คุมทุกอย่างเลยนะทั้งทั้งแรงทั้งลังนกทั้งทั้งพวกยาโตทั้งหลายนะมันก็ข อ, มอนะเมนั่นแหละนที่เลี้ยงได้ตัวยังเลี้ยงไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่สามารถจะให้มีรูปร่างอย่างที่ถึงต้องที่แม่ทำกัน พอพูดอย่างนี้พอเขาได้ฟังเพื่อนมาฟังเข้าไปก็ได้ได้คิดิดเดยวพอไปคิดมันถึงมากมากไปวงลูปมากมากแล้วก็เริ่มปล่อยวางเรื่องลูกแล้วเสียงจะพราะว่าหนึ่งแก่สบายใจมากขึ้นและสองที่แกนึกไม่ถึงคือการสมัยของลูกกับตัวเองดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างที่เกิเนี่ยนึงไม่ถึงนะ ไปมงูปก็พูกกับพ่อว่าหนพ่อนี่เปียนไปเี่ฟังลูกมาแล้ว่าที่ผ่านมาแะไม่เคยได้ฟังแกบ่วกรูกแะก็ใส่ใส่ใส่ลูกยเดียวรูกมีหน้ที่เชื่อแกเลยต่อปล่อยวางเลยนะแกก็เริ่มฟังรูปตัวที่ตัวงไม่รู้ตัวแลวรูกเนี่ย่อเพราะว่าพ่อนีฟังรูปนะูปก็ฟังพ่อมาที่สุความสมากับรูประหว่างรูปกับพ่อก็อยู่ที่แกก็เลมาปอนใจค ไมาช่วยเติดส่งที่เรื่องการปล่อยวางเนี่ยนะปล่อยวางสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีทั้งสองอย่างอารมณ์สิ่งที่น hm ่าพอใจแล้วก็ ER> out, federal, สิ beginner, hin, ่งที luôn, ่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ให้ความสุขกับเราหรือสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราการยึดติดในรูปเนี่ยยึดติดในรูปยึดติดในในช่องสมองพวกมันให้ความสุขกับอันนี้เราก็ต้องปล่อยบ้างนะ ส่วนสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเนะี่ยยิ่งต้องปล่อยใหญเสียงที่มันรบ ก, กวนรบ ก, กวนส่วะสานเราเราไปจึดมันทำไ่ไหมภาระนะที่มันทําให้เราหนักอึ้องใจเราไปแบกไว้ปัาที่มาทําให้เราเครียดเนี่ยเราจะแบกตลอดเวลาทำไมต้องเลียงล่อยต้องแตทําให้ปล่อยก็ไม่มีสติก็ลุดไอันหนึ่งที่คนไม่ยอมปล่อยนะก็คือความเจ็บป่วย ต้อจ็ป่วยที่มันดีที่สแต่ว่าก่อจะป่วยจะหลายดวงใจที่คิดถึเรื่องควเจ็บป่วยนั้นที่ก็เป็นมะเร็งเนี่ยใจที่จะเรื่องมะเร็งที่ถึงแต่ว่าฉันแย่แล้วฉันแย่แล้วท่านที่ยังสามารถจะเดินเหินได้ไม่ต่าง่างซิกโกเลยแต่ก็คืว่าเห็นใจสิ่งที่เป็นไปทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ตัวมันเป็นการติด โอกาสที่ให้ใจเนี่ยจะซึมซากรับความสุขรับสิ่งดีๆเข้ามาหลายคนเนี่ยนะเวลาธรรมะเคยไปบรรยายกับคนให้เป็นมะเร็งนะธรรมะก็จะพูดสึงมิโซะนะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งในตัวเป็นมะเร็งกับมีมะเร็งไม่เหมือนกันนะเป็นมะเร็งคือมะเร็งที่ทั้งหมดของเราแต่มีมะเร็งก็คือว่ามะเร็งแค่ส่วนในร่างกาย แล้วในร่างกายเราก็ยังมีสิ่งดีๆมากมายเอาอยวะร้อยส่วนเนี่ยมันเสียแค่ส่วนเยูคืส่วนที่เป็นมะเร็งอีกกาสกาส่วนก็ยังดีอยู่เช่นมีตามองเห็นหรือได้ยนินปากพูดได้มือเลี้ยงเดินมือเลี้ยงทำอะไรได้าพาเราไปไหนมาไหนได้พราะเราคิดแต่เรื่องว่าเป็นมะเร็งคิดแต่เรื่องมะเร็งมะเร็งมะเร็งะนนะฉันเป็นมะเร็งเขคิดแต่ว่ามะเร็งอยู่เนีเ่ยคิดแต่คิดถึงแต่มะเร็งเนี่ย มันจะมองข้ามตามองข้ามหูจมึกมองข้ามมือขาที่ยังสามารถจะเดินเหินเป็นปกติกได้การที่เราเดินเหินได้เนี่ยมันเป็นของดีนะมัเป็นอิสระอย่างหนึ่งหรือแม่จะเป็นมะเร็งเขาเงเดินเหินไปไหนมาไหนได้เดินมะเร็งที่ยังกินข้าวอร่อยนะยังสามารถจะเห็นหลานตัว เ, เล็กๆตัว น, น้อยๆได้ ถ้าสมาธิมัก่อนให้มะเร็งมันครอบจังใวเราตอนนั้มม น, นไม่สามารถจะมองเป็นสิ่งดีๆได้บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่ดินมะเร็งในตัวแต่เราจะบอกที่เกิดนั้นเสมามะเร็งไม่ใช่ทั้งหมดนนะของเรามันเป็นแค่ความบอบคล้องส่วนกลางสิ่งดีๆที่ยังมีในตัวเราในชีวิตของเราตัวอย่างที่จะ ม, มาพูดถึงเสมอนะ ก็คือเรื่องของอพี่น้องตูลสินสุดนะ่งตอนนี้คนนก็จับไปแล้วคือทั้งสองเขาเิดมาเนี่เป็นนับสินอย่างแรงนะพ่อพ่ อ, อแม่เป็นปัหาพ่อเป็นปัหาแม่เป็นปัญหาพอแต่งงานกับผ้มีลูกเนี่ยเป็นเป็นมากจะแรงอยู่จะนักหรื อ, รอรเวลื่นบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินที่สิปี เราก็วาเธออยู่แรอยูนท่น30จิตส่วนตึงก็เพิ่งตาจะไป30กว่านที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นี่ที่ตมา40ตัวคราบแกนตาโฟนกระดูกปรอบล้มทีไรแขนหักขอเทาขอต่อเดคนนี้ไปใส่สูตดิเทอร์มาส10ครับอันนี้คงเกิด20ดิแต่เขี่มีความสุขมากงสองคน มีปัญหาว่าสุดได้อย่างไรเขาบอกว่าถึางแม้เรื่องจิใจแย่แต่ชาตที่มีวา ม, มองเห็นสิสงนน่งสวยงามายัมีหูฟังฟังเพลงไพเราะตาเพ่งผิดของอร่อยได้ร่างกายก็เดินเหนือยไปไหนไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขวขเป็นเรื่องนึเรื่องไม่ดีเป็นปัญหาแต่แทนที่จะแบกเอาไว้จดจออยู่กับเื้อชิ้ดีๆเจอวางมันลง และเธอมาเปิดใจรับรู้ว่าเธ อ, อมีสิ่งดีๆคิ ด, ดมากมายในตัวซึ่งทำให้เธอมีความสุขนะครับถ้งเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยเดียเป็นจดจเป็นปจดจอยกุสุนเพราะถ้าเราจอดจออยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าเรมีอะไรดีๆนตัวมกืออยู่รอบตัวสิ่งดีๆที่มอยู่กับตัวเช่นสุขภาพที่ยังทำอะไรได้ จะมีตาังมีรูจงมีจมูกจะมีเท้ายังมีมือที่ทําะไรได้เยอะๆแล้วก็ยังมีรูปีหลานมีความสะดสบายมีเนะงานมีทองที่สามารถจะจะัด จ, จ่าย้สอยเพื่อการสร้างความดีสร้างหนุนช่สร้างบุญสมไดนะ้ให้ปล่อยวางบ้างนะจะมัวไปจดจ่ออยู่ประมาณตัวนั่ใจเป็นทุก ทุก ส, สองต่อนะหนึ่งทุกเว่าไะจดจอออยู่กับมันสองายไม่สามารถจะเปิดรับสิ่งดีๆที่มันมีให้กับเราตลอดไปเรื่อความเจ็บปวดแล้วทุกเวทนาก็เหมือนกันทุกเวทนาได้มีความเจ็บความปวดบางคนเป็นโรคนะแต่ว่าความเจ็บความปวดจะไม่ปรากฏเพียงแตหมอพีนิชชัยว่ามีจุดแน่อน ม, มีจุด น, นะหรือว่าตับมีจุด น, นะแต่ว่าไปยังไปไหนมาไหนได้แต่บางคนเนี่ยนะ เกิดความเจ็บปวดรับทุกขเวณนา้นก็เช่นเดียวกันนทะุกขเวณนของดีเป็นของไม่ดีอาจจะเิดของไม่ดีเราไปจดจอ่อไปเมนเวลาปวดเวลาเมื่อเนี่ยนะสังเกตปาาัจจัยอะจดจอ่อปักตึงตรงที่ปวดที่เมื่อจะปนดเอหรือว่าที่ที่ขาแน่ยนะตอนเจ็บปวดที่มันมีแรงดึงดมันจะดึงจิตร้อเข้าไปไปจดจ่ออยู่กับมัน แต่ถ้าเกว่าเราเร า, เรามีสติรุขันหลวงพ่อของเร า, เร า, า ม, มาธิบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาเจริญสตินะให้เห็นอย่าเขาไปเป็นเห็นอย่ากข้าไปเป็นเนี่ยนะอนี้ที่หลวงพ่คำเขียนทั้นสอนเนี่ยมันเป็นศิลปะที่เอามาใช้ได้นะกับการรับมือกับทุกขเวทนาได้ดีมากเวลาปวดเวลาเจ็บเนี่ยนะเรารู้รูปากว่าเนี่ย ใจเราเผลอก็ไปเป็นผูู้้เจ็เก็ไั่นกไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าโอจมนเผลอไปแล้วนะสติทำให้เราเห็นความวแต่ไม่เป็นผู้ปวดอันนี้เนี่ยฟังดูเหมือนว่ามันยากแต่กินทำได้แที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ปวดตงนั้น เวลามีตัเวทาปวดนเวลามอาปวดติ้แต่ถ้าเกว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางมันบ้างกายปวดก็ปวดไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่ปวดทำได้นะกาปวดใจไม่ปวดแต่ก็เราไม่มีสติเนี่ยเราก็เลยปล่อยใจให้มัไปยึดความปวดมันก็เลยเป็นผู้ปวด ในเมื่อความปวดเนี่ยมันทําให้ทุกใจก็ไม่ทุกกายเราไปยึดมัวแต่ว่าเราก็ยึดเพราะเราไม่รู้ตัวตก็คือว่าเร า, เรารู้ทันเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะวางได้เห็นความปวดแต่ไม่เป็นทุกข์เมื่อเมื่อสักอาทิตทีแล้วนี่ก็ อ, อ อีเพื่อนคนนึ่งนะคือเพื่อนรนน้องเธอเป็นะเรองแล้วก็มเรก็ร่างไปถึงถึงนาไสหลังทำใเธอเนี่ยเดินไม่ได้ต้องนอนตลอดเวลาแต่แล้วก็พูดไม่ได้เขียนก็เขียนากอก็ปวดนะแต่นยัเดินไม่ได้มองแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชัดพูดไม่ได้พูดไม่เป็นไม่เป็นตัวเพราะว่าสองเนี่ยเสียหายจกเ แต่ว่าเธอเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นให้เป็นปกติได้พอสมควรไปไมนก็หมกจิตนะแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะตระลักก็ได้มีส่วนไปช่วยแนะนำให้เธอฟังใจอันแรกคือทําให้เธอได้เห็นว่าความเจ็บป่วยในที่มันเกิดขึ้นมันเป็นถนะูกตาหน้าที่เธอจะได้เรีนรู้ธรร ความจริงจากสักงขารคือเธอมีเพื้นฐานีได้มัอยูลว่าสังขารนมันเป็นอนิจจังทุกขนะครับแล้วถ้าเกิดมีความเข้าใจในสันจธรรมข้อเนี่ยจะแจ้งการที่จะปล่อยวางก็เป็นไปได้แล้วบาคงทีก็เจอเนะอลไปไปไปทุกข์กับมันก็เช่นเดียวกันนะท่านถึงคาสอนก็ใช้ ความปวดไม่ได้รบกวนเราเราเป็รดความปวดหรือเราไปสู้กับความปวดไปลาะกับนไปกดข่มกันบอกเธอว่าเนี่ยให้ให้รู้เฉยๆปวดก็รบกวนจะไปจะไปทาอะไรมัน ท, ที่เรารู้ที่ด่วความปวดลก็วิชาที่สอนก็คือให้เนให้เห็ น, น, ย น, น, นอย้ก็เป็นๆอน่สามีเธอก็ดีนะครับมีเธอก็ยาาแนะนเดียวกันนะา อี่เหนั้นนะยังเป็เป็ดเลยเป็ดผู้อเราะเมื่อตามที่เราไม่เห็นนะคือไม่เห็นด้วยสตินใจมันก็ไปเกาะไปจับอยู่ทไปยมันถึงมา่ว่าเราเป็นผู้ถืตรงนี้แหละที่มันทำให้ไม่ใช่แค่เกิดกาใเกิดใจก็ตัวเธอก็ทำด้วยแล้วก็มีสามีกต่อยแนะนำดูก็เาว่าเธอในชีวิตไปเสมอเไม่ไง แม้ที่โนสุรายลในช่วงในท้ายในช่วงก่อนในช่วงต้นเดือนเจมีความหยุียนแต่ละังเนี่ยกขได้ได้ได้รได้รู้ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับเจ็บปวดเกี่ยวกับรงเกี่ยวกับความปลยกเวทนา้วก็ปล่อยวางมันได้ปวก็ปวดไปใจก็ดูมันเฉยๆนี่เป็นมันเป็นมนเป็นวิธีการในการปล่อยวาง ต้กที่พูดมาเนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ปัจจุบันนะเสียงก็ดีความจุดปวดก็ดีนะอ า, าที่เกิดในงานก็ดีหรือว่าลูกที่เนะราเป็นห่วงก็ดีอาจจะรถึนงนี่สิด้วยนี่ว น, นี้เนี่ยปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปล่อยไเลยนะดี่ก็ต้องชำรกนะไม่ใช่ไม่ไมไสนใจเลยมีลูกก็ยังต้องดูแลใช่ไหม ใจชาทุกสูตแล้วก็จะปล่อยวางเนี่ยคือปล่อยู่่ช่ปวยเราก็รู้ว่าเออ่างการไม่ใช่ของเราแว่าต้องรักษาทนี้เนี่ยปล่อยตัวสุดท้ายในที่อาตมาอยากจะย้ำนะซึ่งก็ได้พูดนิดหน่อยคือว่านอจากการปล่อยวางันดีปล่อยวางหนักทแล้วก็ปล่อยวางปัจจุบันแล้วนี้การปล่อยวาง อีกสิ่งห่คือปล่อยวางความหลงความหลงว่าร่างกายนี้เป็นรองป็นของเราความบลงว่าทรับย์สมบัติ เ, ออเป็นเราเป็นของเราง่ายผู้หลงเราคือปล่อยวางความยึดมั่นว่าเป็นเรานของเราอันนี้เป็นที่มาของความทุกข์เลยที่เราเราทุกเรื่องทุกเวลาจเจ็บป่ดก็ไปยึดมั่นว่าร่างกายเป็นขอ ที่จริงไม่ต้องรอให้ป่วยนะเพียงแค่มันแก่มีผมหมองดังเรื่องเกี่ยวต้องการเรื่องอยาพอเราวันเช้าเรื่องหาหนไปก็ทุบเลยก็ไปทุบว่าราัิการจะยึดมันว่าอย่าให้มันเทียมยึดมนันามันต้องเป็นสุในดให้ความุพอมันแก่หรือพอป่วยนี่นเราทุบทุบเพราะ ค, ค, ค, ความยึดมนันทีเป็นเรานที่เป็นแรงขับเป็น ลูก็เหมือนกันนะลูกเนี่ยทุก็เพราะว่าเราไปยึดเป็นลกูกถ้าปเป็นลูกันอื่เราก็เฉยเฉยใชนะรถเนี่ยนะถ้าเกิกเนนะเรดรถ ม, มันเสียเราทุกถ้ามนาถึงตอบเพราะเรายึดเป็นูเราถ้าเป็นรถคนอื่นเราก็ไม่เดือร้อนแต่จริงเนะนี่ยแม้กระทั่งถึงที่ยึด ว, ว่าไม่ว่าอะไ ร, ระก็ตามที่เรายึดเป็นของเราเนี่ยก็ไม่มีเดือยร้อนใจริงเพราะว่า เราไม่สามารถหวบกุมบางสัมได้ฉนะนั้นทำไมตัวอย่างรูปเนี่ยไปย้วยลูปเป็นเราเนี่ยแแต่จะว่าแต่ว่าแต่จิตใจเลยนะแม้จะทร่างก า, างเยเราเราก็ยังควบคุมอะไรมไมา้ยงเลี้ยงได้แต่ตัวแต่เลีงได้แต่ตแตแตแตใจเลีงไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ความจริงเลยทเพราะว่าตัวนลงไม่ได้จังเต็มที่ ถ้าสิงเงินทองเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ของเราเราเราไปสามารถบมมันหือไปตาใจปรารังราดตงนี้เนี่ยมันต้องเป็นการปล่อยวางแบบนี้เนี่ยมันต้องอาใัยปัญญาอาาตัเราต้องเห็นความจริงว่าอ๋อไม่เงื่ออะไรที่เป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา แต่ถ้าเห็นตรงนี้นะมันช่วยทำให้เราปล่อยวางอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นเม้องปล่อยวางวาทุกสุ่อยางวงูดุจาเนี่ยเมื่อสมัสที่ท่านยังยังมีชีวิตอยู่นะท่านก็บรรภาพระไป20ปีมาแล้วตอนที่บรรภาพระไ่ประมาน101ปีมาตั้ง50ปี 5, 20, ที่แล้วเนี่ยหรือว่า40ปีที่แล้วเนี่ยท่านไปผักผักก่อนดีกว่ีวไ อาเจ็ดสิห้าทีแล้วเดนั้นท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรม่ต้องช่วยแล้วคืท่านจะทำก่แล้วก็กลั้นใจปลบใจแล้ว่าเจ็บเลยว่าคนก็ผ่านมาหน่อยนึงถ้ยังบอกว่าเจ็บขึ้นบอกว่าปวดเลยคอตอบว่าไงคืตอบว่าร่างกายใช้เหมือนคนนะเจ็บสิทำไมจะไม่เจ็บแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยนะใจไม่ได้เจ็บด้วย แล้วก็ปวดใจคือปวดใจเนี่ยก็อันหนึ่งปวดใจอีกอันนึ่งปวดสนใจเนี่ยพอพอปวดใจแล้วมันจะปวดใจก็ไปยึดว่ามมีเรามีตัวปูแต่เราปวดเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ถึงว่ากายปวดแต่จะเป็นรู้สึกว่าปูปูขฉันปูไอ้ความรู้สึกหรือความทรงจำมากมายตรงนี้ที่มันทําให้ใจยัยปวดตามปู ความตังนี้เกิดขึ้นได้เพราะ ม, มีความคิดว่ามีมีตัวเรามีตัวปูแต่ว่าคนที่เขาได้เข้าใจความจริงมันจะทำจันทร์แจ้งว่าที่จริงมันไม่มีเรามีตัวปู่ใของปู่ไอ้สิ่งที่เห็นไปตุนน้นแต่เนี้มันก็มีแต่รูปตัามีแต่กากมันมีตัวปูซ่อนซ่อนอยู่ยเน้เวลาเวลาเจ็บเนี่ยมันก็เป็นกายเจ็บแต่ค น, นที่แบ่ีความคิดคนนี้เนี่ยคิด อยู่เสมอว่าม so okay. okay. ีกูมีกูมีูมีของกูพอกายปวดปุกเนี่ยฉันจะเห็นว่ากายปวดก็ไปยึดว่าเป็นกูกูพอคิดอะีรเข้าเนี่ยจปวดตาซ่งุนดูนท่านท่านเห็นความจิองพวกต้องเ็จะจะทความจริงเรื่องว่าเรนไม่มีกูไม่มีของกูมีแต่เรื่องขซึ่งไปตามเพราะฉะนั้นเวลาปวดกายเนี่ยก็ว่าปา มนก็เห็นว่ามันเป็นกายที่วดแต่ว่าไม่มีปู่ผูด้วยปรู้นัมดไปแล้วหรือว่ามันไม่มีทักษะแรวก็ถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีปู่ผู้มีกายปวดถ้กายปวดใจก็ไม er poser, ่ปวดปูเพราะว่ามันเป็นะนนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่ต้องมาใส่กาอันจะเดินภาวนาหรอวิปัสสนายากหน่อยนะแต่ว่า ทำควาแช่สติเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้เราปล่อยวางในเรื่องที่ที่ง่ายกว่านั้นหนะ้าเช่นปล่อยวางควาคิดปล่อยวางความรปล่อยวางสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือแม้กระทัปล่อยวางการเปรียบเทียบอันนี้ก็เป็นความทุข์เปล่อยวางการเปรียบเทียบนะคนเราหลายคนทุกข์นะทั้งที่คุณก็ได้ชมได้ราบมาแต่ว่าก็คอยแต่ว่าปล่อยทุกอย่าก็มีา ม, มากกว่า ทุกเลยได้บนนักมาห้าเดือนจะมีความสุขนะดีใจไดนะ้บนนักแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้เจ็ดเดือนเนี่ยทุกเลยกลายเป็ว่ากลายเป็นว่ า, า, วาได้น้อยทั้งที่ตัวเองเนี่ยได้ตรองห้าเดือนแทที่ได้จะมีความสุขนะปักทุกเขาคิดว่าจได้น้อยกว่านี้ ของราคาหมือนหนึ่งนะที่ไหที่ไหนก็หมื่นึงนะแต่ว่าเราซื้อได้สิบห้าเอซ็ื้อได้เจ็ด้าก็ดีใจนะแต่ว่าพอรวบเพื่อนที่ไปเชื่อวด้วยกันก็ซื้อเหมือนกันแต่ก็ได้ราคากาหสรนะก็ซื้อได้คุ่เฟือยเลยนะืน่นการชอปปิ้งทั้งหลายในขาชอปเนี่ยต่ทุกข้เห็นนี้มากทั้งที่ตัวก็ซื้อถูกนะซื้อได้ถูกนะแต่ว่า กับไม่เห็นว่าเป็นโชคนกับเห็่เป็นความเวื่อคือพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเทียนนะคุณได้โชคเท่าไหร่คุณด้วยนึกว่าเสื่เพื่อสมาคได้ร่งพิธีแล้วหรือเป่าพื่อสมาคุณเป็นน เ, เนล่เเนบแล้วก็จะนม่ได้เลิกไปแลวเพราะว่าเวเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยเองเงินมาอาาแต่ตอ น, นี้เอาากช่อาเงินนะเเลินแต่ว่าตอนที่ยังเล่นอยู่เนี่ย ไปเจอคุณก็เล่นด้นไ้จกนที่ตลาดรุ่งคุณตามาคุณป้าบอกว่าเมื่อสองสามันกขายี่เป็นจวอดใหญ่เลยนะได้เงไปสิบล้านเพื่อนสาบอกว่าแสดงวยินดีเรื่องคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันหละ่ะเราันขายวันนี้ฉัได้กำ <laughs> ไรยี่สิบล้านคุณปมีิน้ห น, นึ่งสิบล้านสิบล้านมันเรตเรีนรูที่ห น, นึ่งนะส่้าปนีะ ห้จบเนั้นพอรวมขึ้นอยป้าก็ไม่มาอยู่สลักเพื่อจะมาเลื่อยไปทางมาร์เก็ตติ้งม้ไหนแล้วมันตอก็นเาไหครียทีได้จุดงเพื่อแกไมได้คิวาแกจุดรงแคิดว่าแกเสีย่แกไคิดว่าแกได้เสิบได้จุดงแวแกเสียสิราคอคุณเปียกเทียบนะได้ที่สคุณได้ห้าคุณได้ห้า ก็ได so so ้ได้บโนัเดือนเน่ยคุณกเสียไปสองเดือนใช่หมฮะคือเท่าเปลียดที่มันเป็นเงิได้คือเสียนะฮะแล้วก็เราเนี่ยจะตัวการสูญเสียมากแล้วก็ยึดความสูญเสียแล้วไม่ยอมเราอะไรเมื่อดกาที่เราสูญเสียนี่นะอันนี้อีกประเด็นนึงนะเอก็ตามที่เราเราจะสูญเสียนี่เราจะไม่ยอมเราจะยึดเอาไว้เพื่อไม่ห้สูญเสียมีอาจารย์คนนึงนะ ที่หมาในอ่าวุฒิแก่บอกกับลูกศิษนะ์ที่มาเรียนอีกชั้นเียวกันว่นที่กแก้ยี่สิบนะแกง20่สดอลลาร์ น, นนะจะขอให้นักเรียนในชั้นประมูลใครได้ใครชนะประมูลออกไปเลย20่สดอลลาร์เรียนก็ดีใจเนี่ยแต่ว่ามีมปีกติกาสองข้อนั้น1จะต้องประมูลทีละเหรียญทีละเหรียญทีละเหรียญสอ ไอ้ที่ได้ประมูลสูงสุดเอาไปเลยแต่คนที่ได้ประมูลคนที่ประมูลคนที่เสนอราคาม่ลสูงสุดอันดับสองต้องจ่ายต้จ่ายะคือนอกจากไม่ได้มันอกจากไม่ได้ยี่สิบเลือลต้องจ่ายนะนนเนะนะชื่อมั้ยประมูลทีไรนะราคาสูงสุดเนี่ยเกินยี่สิบทีนึงอีกครั้งนะั้นมีคนประมูลร้อยดอลลาร์ เชื่อมานสังหารวจินเนเมินระดับ น, นี้ของแค่ยี่สิบนะแต่ประมินถึงร้อยโมดิาชาแต่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคือต้องเกินยนะี่สิบอาจารย์บอกว่าแจ็ไม่เคยจ่ายในยยี่สิดอลลาร์นะเพราะว่าแจ็คมีแต่เ้อเพาะอะไรูนะูมั้มฮะอธิบายคือแจ็พูดว่าใน่พอข้อมูลเนี่ยปมนเรื่อองสิบหกสิบเจ็ดดอลลาร์นี่นะคนที่เหลือก็จะเลิกประมิน มันมีเจริญแคนคือคนที่ก้มบนรดัต้นมีการระับสองเช่น16บหหรือ17กับ16บหกไอ้คนที่เป็นคนที่16เนี่ยนะมันต้องออกการถอนตัวไม่ได้ถ้าอนตัวเนี่ยต้องจ่ายสิกใช่ไหมก็ไม่ถอนกลัวเสียดายเงินปุยต้องเช่เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อตัวเองอยกใช่ไหมอีกคนอยู่สิบเจนั่เอนตัวก็ต้องเส่วน18บใช่ไหมไอ้สิคนที่17ก็ต้องเสนอ19 ะแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นปหนึ่งห้าสิบนั้นก็ยังไม่เลิกเพราะอะไรเพราะกลัวเสียใช่ไหมที่จริงควรจะที่จริงควรจะยอมเสียตั้งแต่ตอนสิบห้าสิบหกแล้วแต่ไม่ยอมเสียสิบ้าเนี่ยสุดท้ายไปเสียเป็นร้อยเลยนี่เป็นที่ว่าที่เป็นความเจติตหันะคือกลัวเสียไงกลัวเสียน้อยแต่การก็เสียมากแล้วพฤติกรรมที่มันแสดงให้เห็นจากการเล่นผู้อยู่กันนะเช่นสมมติอย่างว่าพุ้นเนี่ย คุณมีคื้อไว้เนี่ยซื้อมาซื้อมาร้อยเนี่ยนะคุนมาราคาตกว่าือบเก้าสิบส่วนยัยไม่ยอมปล่อยไม่อมปล่อยเพาะคิดว่าอะไรขาดทุนเนี่ยซื้อมาร้อยขายได้เก้าสิบกัวเช็คกลัวเสียใช่ไหมแล้วนั้นก็จะรอจะรอเพราะมีความหวังว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเปี๋ถึงร้อยสิบร้อยร้อยี่สิบแต่ว่มามันตกเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยยิ่งยิ่งตกไปเรื่อยๆนั่หรือการทียิ่งไม่ปล่อยอยัยเพราะว่าขาดทุนมากขึ้นก็จะยิ่งเก็บเอาไว้นั่นคือ มันตกประมานเลยแค่สิบสตางค์แต่ออเลยครที่แบแทน ท, ที่คุณจะเสียแค่เสียเสียนิดหน่อยใช่ไหคุณเสียเยอะเลยนี่คือสมรรถกรรมของคนนะที่ว่าคือคุณไม่ยอมคุณไปจะเสียวความสูญเสียไม่ยอมปล่อยนะมันก็เลยเสียหนักขึ้นมันไม่ตายย่างจากคนที่สมบติว่านั่งเรือนะแล้วก็มีหีบสมบัติอยู่หีบ น, น, นะโว้ยมีทองี่เยอะเลยถ้าเกิดมีพายุนะแล้วเรือเป็นโครงเฟืองแล้วหีบสมบัติเนี่ยตกลงทะเลยนะ หลายคนนะโดลงไกลเกาะเอาไว้กาะถีไว้เพราะเม่ยให้มันจมเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อเท่าไรเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถจะกูดขึ้มนมาได้ก็กลายเป็นว่าจมทั้งทรัพย์สมบัติและชีวิตของตัวเองเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ปล่อยไม่วางไม่ปล่อยวางสิ่งรักของรักเลยก็ในย่างสูญเสียเนี่ยยอมรับความสูญเสียไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็เสียหนักก็ไม่หย้ด น, นี่ก็เป็นปัญหานะที่มันเป็นการปล่อยวางสําคัญมากเลยตัวในยามที่ใามที่มันเกิดความชุกชืดมาจะต้องกล้าที่จะปล่อยเพราะถ้าไปปล่อยเนี่ยจะเสียเนี่กรเดินจะทุกข์หนักกรเดินผมองนึกใช้สตินะใช้สตินะสติพิจารณาว่าเฮ้ยจาา่ายสิบห้าตอนล่างดีกว่าไปจาา่ายห้าสิบตอนอ่างเพราะมีพังรายนะเล่นเป็นสองร้อยนะอ้อนหนึ่งเนี่ยกลัวเสีย ไม่ยอมเสียทีแรก แ, รกแล้วสองต้องกันผู้ชนะพอต้องการผู้ชนะเนี่ยมันทำให้สู้ไปเรื่อยสู้ไปเรยก็เหมือนคนที่เล่การางันนะพอเล่นางานันี่นนทีแรกก็อาจจะเริ่มต้นจากร้อยหนึ่งนะแต่แล้วได้สองร้อยได้พันได้หมื่นอันนี้กอแพ้เนี่ยก็แบบไปไปนหมื่นเนี่ยแ ต, แต่ที่คิดว่าแตาานนะานะ่ที่คิดว่าถึงเข้าทุนนะฟารนะเี่ตัวเ อ, องทำงานจะได้ไมมากขึต้องยอมทุ่มเงินก็ด ตอนนี chat, uh, mm ้ไ hmm. ม่ได้เห็นนะมันคือเสีที่แสนนี่เรื่องความเจ็บติดนะที่เราต้องระวังเพราะว่าเมื่อกระตามยึดมนือเราเนี่ยพอไปยึดติด้ากๆมันมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองือว่าความโม่เนี่ยมันก็มันก็เข้ามาข้อง ที่เราพูดไปทั้งหมดนี่นะพูดถองการปล่อยวางเราทำว่าปล่อยวางนี่มันทําให้ใจเป็นสุขยิ่แต่ก็ยัที่บอกนว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปล่อยไปแล้วเลยปล่อยวางเรื่องการทําใจเปิการทําหน้าที่อย่งต้องทําต่อไปร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องดูแลไม่ใช่ปล่อยวางแล้วไม่รักษาปล่อยวางเป็นเรื่องของใจ แต่การดูแลรักษาเรื่องการทางกิจก็ต้องป็ น, นี่ก็ต้องก็ต้องวางนะแต่ไม่ชอไม่ใช้ก็ต้องใช้เคยมีนคนถามผมพอยอนตอก็ส่งแกนี่หลายจาใช้ในการพัฒนาว่าเคยใช้ในการเ อ, อชอ้าก็มียอายอกนะ็อส่งแกยอมเนะี่ยพให้เครียหรือไม่ทุกหรอนะที่ เป็นีน peuple, huh, man, ้หลายสิลานนข่าวว่าไ่าวว้าท qu ุกไปทนไมวที่น่าจะทุกเนี่เมากัอคเจ้าของเงินนะวาเราจะมีปัญจาจ่ายแน้วทุกหรอปลาคือท่านปล่อยวางเนี่ยแต่ไม่ได้บอกท่านท่านเดียวนะท่านก็หาเงินนะครับหางนตัวเป็นเกลียวนะหาเป็นหาตัวเเกลียวเลยแต่ใจท่านไม่ทุกได้ไหมเือมีหนี้ต้องรับผิดชอบต้องจ่ายแต่ใจไม่ทุกใจไม่ทอก็ต้องคิด ยังฝ่ายวิธีว่ายทำงานจะมีรายได้ทำมากืนจ่ายด้วยอันนี้เรียกว่าปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยปากว่าเลยนี่เรียกว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางอย่างรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยปากว่าเลยต่างปล่อยปากว่าเลยคือไม่ทำกิจแต่ปล่อยวางคือทํากิจส่วนการทํากิจทำหน้าที่ทำต่อไปที่ปล่อยวางด้วยอรายนี้พียังไจะมาสปอรตคือการมีสติ การใช้ปัญญาปัญญาจะตามมารมืสติและสติเนี่ยสามารถจะสร้างได้ในที่ประจมก่อนพิธีง่ายๆคือว่าเวลาทําอะไรเนี่ยนะปกติเวลาเรากินข้าวเวลาเราอาบน้ำเวลาถูฟันเออคิดนวลคิดดีคิดเรื่องอดีนคิดเรื่องอนาคตบางทีทำงานคิดมังก็คิดถึงงานคิดเยอะกำลังกินข้าวยู่เนี่ยคิดเรื่องงานที่จะทําต่อไปใช่ไหม ไม่ก็ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ลองฝึกใจให้มีสติด้วยการอยู่กับปัจจุบันยูปัจจุบันไม่ได้ยึดติดในปัจจุบันยูกับปัจจุบันดูว่าจะไปยนดถึงเรื่องที่เรื่องอจะไปจะไปกัเรื่องนกปัจจุบันอาบน้าใจก็อยู่การอาบน้ำเราจะได้รับควุขความสดชื่นได้มากรส่วนใจก็อยู่กาวากิน้าวใจกอยู่กักินข้าวเคี้ยวนช้า ไม่ต้องรีบนะช้ายัมีสติยังมีงานอะไรรออยู่ก็วางเอไว้ก่อนจะ ต, ต้องไปสมรูกนะที่มองเรียนแนน้ก็กินข้าวก็ค่อยไปทาไม่ใช่กินข้าวเร็ก็คิดต่เรื่องว่าต้องรีบไปส่งลูแล้วนั้นได้เวลาอันนี้เรียกว่าใจมันยังไปโง่อยู่กระตุกันหนัะอนหนกอแบบนี้แหละนะเวลาเวลาเวลานั่นนนงรถ หรือขับรถไปทำงานงใจก็อยู่กับปัจจุบันถ้านั่งรถก็ตามลมหายใจบ้างขึงนิ้วไปมาขึ้นนิ้แอาจจะดนิ้วไปมาให้ใจมนปัจจุบันเราใช้ไปคึนนิ้วตามลมหายใจก็ได้รถเด็กทางเชื่อมอในในใืนด น, ญญนะตัวเด็มีเท่าไหร่ก็เป็นทีนธ่ธนาคบว่าจะไปไหนขั้นนะจะขาดประชุมอะไรกันอนาคบทั้งนั้นใช่ไหมหรือไปเนี่ยมาช่วยทาให้รถเคลื่อนเล็วขึ้นก็ก็เได้ก็ไม่เร็วขึ้น ทะทำให้เราขาดโอกาสในการที่จเรำ ใ, ให้ใจสรถติดก็จะปล่อให้จิตตกนะตามลมหายใจเข้าหายใจออกสัญญาณไฟแดงแปลว่าหยุดกุ้้างอยู่เครียดกลับมาตามลมหายใจอยู่กับปัจจุบันมองส่องไฟแดงเนี่ยให้เป็นบวกหน่อยนะอย่าไปมองว่าเป็ น, ปนลบ ก, ก็คือไฟสายไปช้านะคือตัวมาดีน้องฟานความสเร็จนะให้ห ม, หมองอันนี้เข้ามาตือนสติให้เรากลับมีปัจจุบันหายใจเข้ า, าหายใ จ, ใใจออก ส่วนที่ได้คืออะไรลถเสียเวลาก็จริงแต่ใจไม่เสียเนี่ยเสียเวลาเนี่ยแต่ใจไม่เสียใจได้ความสงบไม่ใช่เสียเวลาด้วยใจก็เสียด้วยความดันก็ขึ้นด้วยไม่มีอยู่อะไรเลยใช่ไหมแล้อกจากเวลาเสียเงินเนี่ยแต่เราก็ม่ควรคุยเสียเงินเนี่ยก็เสียแต่เงินนะจะปล่อยใหใจเสียหลายคนเนี่ยเสียเงินเสร็จนะใจก็เสียเพราะคิดเกี่เงินไมีอยาก่อยไ่อยากวางเป็นกลายไป็นอดีตไปแล้วเปรียบเหมือนมันนะก็กลายเปาเสียเงิน ใจก็เสียถ้าใจเจ็บมากๆนะเสียสกปภาพขากินไม่ได้นะไม่หมนะแล้วไม่มีสมาธิในการทํำงานเสียงานอยู่แล้ถ้าหุดหินมากๆเนี่ยอยู่กับลูกก็หงุดหงิดใจลูกอยู่กับเพื่อนก็หงใจเพื่อนเสียเพื่อนอยู่เสียนั้นคนชาเนี่ยเสียอย่างเดียวที่เสียเงินนะหรือเสียเวลาที่กลอติกแต่ยังอึ่นไม่เสียแต่ก็ไม่ฉลาดนะเสียเงิน เสียใจเสียสุขภาพเสียเวลาเสียเสียงานการแล้วก็เสียเพื่อนถ้าเรารักตัวแล้วเราฉลาดจริงนะเราต้องเสียอย่างเดียวไม่จะเสียนะไม่จะเสียต้องเสียในตัวเสียหนึ่งแต่ว่าคุเสียเวลาแต่ว่ายังอื่เนี่ยเรารักษาเอาไว้แล้วกลับใช้เวลาที่เสียไปนี้เกิดประโยชน์ได้เสียเงินแต่ได้ประโยชน์ก็มีนะเสียเงินแตได้กำไรมันมันเตือนเรประมาณมันมาตือนเราไม่ประมาณมันมาเตือนเรารักเราระวังนะ เราตงือใหเราปล่อยวางนะอันนี้เรียกว่าคุณได้กาไรคุณเช้เงินแต่คุณได้กำไรมากคุณได้จุดได้ทำใจให้ไม่เครมยดเสียคือได้แต่ถ้าคนไม่ฉลาดนะได้คือเสียมันอย่างที่คุณพ่อคุณล้อเพราะนั้นเนี่ยการปล่อยวางนี่มันเป็นมรรเฉลิมประดิษฐ์ที่ช่วยช่วยมีวสใจแ้่มันไม่ทาให้ชีเราจะย่ำแย่หรือว่านาหลังวานนนะถ้าเราปล่อยวางเป็นมันทาให้ใจเราเป็นสุดมันทำใจเราติเ ดูแลครอบครัวะมีชบต่อคอบครัวหรือว่าทำงานก็สาาทงานได้ดีดภาพการก็ดีด้วยก็ใช่แล้วพอสมควรแล้วนก็อร